บทที่สี่สิบสองสีพี่น้องท่านพระครูเรียกในขุนทองมาสั่งว่าช่วยพายโยมเข้าไปส่งที่กรรมฐานด้วยเขาจะอยู่ปฏิบัติเจ็ดวันและบอกบุรุษที่เพิ่งอกหักมาหมัดหมาดว่าตามหลานชายอัตมาไปนะ เขาจะพาไปส่งที่กุฏิกรรมฐานบุรุษวัยเจ็สบห้าคิดว่าท่านพูดผิดจึงแย้งว่าหลานสาวครับหลวงพอ่อไม่ใช่หลานชายสักหน่อยใน่ขุนทองรีบผสมโรงว่านั่นสิฮะหลุงลุกเนี่ยชอบเผลอเรื่อยเลยข้าไม่ได้เผลอเอาเธอเอาเธอเอ็งจะคิดว่าเอ็งเป็นหลานสาวข้าก็ได้ แต่ข้าไม่ยอมคิดด้วยรอกเพราะรู้รู้กันอยู่หลวงพ่อหมายความว่าอะไรแม่หนูคนนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิง ห, หรือคนอกหักหมัดมารู้สึกสับสนในขุนทองจึงรีบกรบเกลือนว่าคุณตาอย่าไปฟังหลงลงเลยฮะท่านทาาไม่ค่อยจะปกติเลยพูดชาเล็ดเธอเปิดเปื้อน คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงถึงกับลงทุนใส่ร้ายหลวงลุงเรียกคนลุงก็ได้บุรุษวัยเกินเจ็ดสิบพูดเบาๆได้เกรงท่านพระครูจะได้ยินไม่ต้องกลัวอาตมาจะได้ยินหรอกเพราะถึงยังไงก็ต้องได้ยินอยู่แล้วภิกษุวัยห้าสิบเศษพูดยิ้มๆแล้วก็หันไปเล่นงานหลานชายว่าคนที่พูดเลอะเทอเะเปลอะเปื้อนคือเอง ไม่ใช่ค่าในขุนทองกำลังจะอ้าปากเถียงลูกชายที่บิดาพามาก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับพ่อผมไม่ได้อาชุดขาวมาพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ได้หรือเปล่าครับท่านพระครูบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ขอยืมวัดใช้ได้โยมเขาไม่อยากกรับรอก เพราะพูกนี้จะมีคนมาขอเงินตั้งแสนใช่ไหมโยมประโยคหลังท่านถามคนอายุเจ็ดสิบห้าครับรับคำเสียงอ่อยท่านพระครูจึงบอกหลานชายว่ารีบๆพาโยมไปที่พักได้แล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นในขุนทองรู้ว่าขืนพูดต่อไปก็จะเสียเปรียบหลงลงุง จึงพาบุรุษสูงวัยออกไปแต่โดยดีอาจารย์วัยห้าสิบเดินตามไปส่งบิดาด้วยหลวงพ่อคะหนูกับน้องสาวพากันมาทำบุญให้คุณแม่คะ่ะสตรีอายุประมาณยี่สิบเศษกราบเรียนหล่อนมากับน้องสาวไวัยไล่เลี่ย ก, กันแล้วคุณแม่ไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านถามคุณแม่เสียแล้วคะ่ะเราสองคนคิดถึงท่านมาก วันนี้เป็นวันแม่เราจึงมาทำบุญให้ท่านพูดจบก็ช่วยกันประเค้นองสีขาวขนาด6คแป8นิ้วภายในบรรจุธนบัตรใบละ500จำนวน100ใบทำไมมากนักละตั้ง5ามืนท่านพระครูถามทั้งที่หน้าสองไม่ได้ระบุจำนวนเงินไว้หลวงพ่อทราบได้อย่างไรคะคนเป็นน้องสาวถาม ทราบจากกรรมาฐานนะสิถ้าหนูอยากทราบก็ต้องหมั่นทำกรรมาฐานเคยปฏิบัติมาบ้างหรือยังยังไม่เคยเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาปฏิบัติจะได้อุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่หนูทําบุญด้วยการถวายปัจจัยแล้วยังต้องปฏิบัติกรรมาฐานอีกหรอคะถามเพราะไม่เข้าใจถ้าหนูอยากให้คุณแม่ได้รับก็ต้องพากันมาเข้ากรรมาฐาน เพราะการถวายปัจใจเท่ากับทำทานซึ่งผู้ตายจะไม่ได้รับส่วนการปฏิบัติกรรมฐานจัดเป็นภาวนาสามารถอุทิศไปให้ผู้ล่วงลับได้หลวงพ่ออยากให้หนูสองคนเข้ากรรมฐานคุณแม่หนูรอรับบุญอยู่ท่านรู้ว่ามารดาของสองสีพี่น้องกำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกเพราะตายขณะที่จิตมีโทสะ นางโกรธแค้นสามีที่ทิ้งนางและลูกไปมีภรรยาน้อยซึ่งเคยเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านได้ยินว่ามานดากำลังรอรับบุญสองสีพี่น้องถึงกับน้ำตาร่วงคนพี่จึงถามท่านพระครูว่าคุณแม่คงไม่ได้ไปดีใช่ไหมคะถ้าหนูอยากรู้ก็ต้องมาเข้ากรรมฐานซึ่งนอกจากจะรู้แล้ว ยังจะช่วยคุณแม่ได้อีกเชื่อหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยากให้หนูทั้งสองได้ตอบแทนขากข้าวข่าน้ำนมของแม่และหนูจะได้เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเป็นลูกกระตันอยู่หลวงพ่อคะคุณแม่หนูเป็นคนโชคร้ายมากเลยคะ่ะโชคร้ายที่มาแต่งงานกับคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกสาวคนเดียวของคุณตาคุณยายเป็นดาวมหาวิทยาลายัย แต่พ่อมาแต่งงานกับคุณพ่อชีวิตก็ผกผันคุณพ่อให้คุณแม่ออกจากงานมาเป็นแม่บ้านและคุณพ่อก็ทําให้คุณแม่เสียใจคุณพ่อหนูทํางานอะไรท่านเป็นผู้พิพากษาค่ะแต่ไม่ก้าวหน้าในราชการเพราะความเจ้าชู้ของท่านท่านย้ายไปที่ไหนก็ไปแอบมีเมียไว้ที่นั่นไม่ยอมให้คุณแม่ไปอยู่ด้วย โดยให้ดูแลลูกอยู่ที่กรุงเทพคุณแม่เครียดเพราะคิดมากเรื่องคุณพ่อหลังสุดคนรับใช้ที่บ้านซึ่งอยู่กันมาสิบปีเกิดลาออกคุณแม่มาทราบทีหลังว่าไปเป็นภรรยาน้อยคุณพ่อก็เลยเครียดถึงกลับเป็นอำมาตคุณพ่อไม่เคยมาดูเลยคุณแม่ป่วยอยู่ห้าปีเต็มคุณตาคุณยายช่วยกันดูแลคุณแม่อย่างดี ต่อมาท่านก็เสียชีวิตลงในเวลาใกล้ๆกันพอท่านเสียได้ไม่ถึงปีคุณแม่ก็เสียคนเป็นพี่สาวเล่าถึงชีวิตรันทดของมารดาให้ท่านพระครูฟังแล้วคุณพ่อรู้ไหมว่าคุณแม่เสียน้องสาวตอบว่ารู้คะ่ะ หนูไม่ทราบว่าท่านรู้ได้อย่างไรเพราะก่อนตายคุณแม่สั่งเราสองคนไม่ให้บอกคุณพ่อพอเผาศพคุณแม่เสร็จคุณพ่อก็พูดกับเราสองคนพี่น้องว่าขอแบ่งที่ให้น้องสักสองไร่คือคุณพ่อมีลูกชายสองคนที่เกิดจากคนใช้คุณตาคุณยายมีที่อยู่แถวถนนสุขุมวิทหลายไร่พอท่านเสียก็ตกเป็นของคุณแม่ และขณะนี้ก็เป็นของหนูกับพี่สาวค่ะแล้วหนูให้ตามที่เขาขอหรือเปล่าคนเป็นพี่ตอบว่าไม่ได้ให้ค่ะเพราะคุณแม่สั่งไว้ว่าไม่ให้ยุ่งกับคุณพ่อเขาจะเป็นจะตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจและถ้าเขามาขออะไรก็ไม่ต้องให้คุณแม่พูดราวกับรู้ล่วงหน้าท่านบอกว่าคอยดูนะถ้าแม่ตาย พ่อเธอจะต้องมาขอแบ่งสมบัติไปให้ลูกเมียน้อยแล้วก็เป็นจริงอย่างทุกขิณแม่พูดไว้ทุกอย่างเลยค่ะหลวงพ่อคะหนูจะบาปไหมที่ไม่ได้แบ่งสมบัติให้น้องเพราะถ้าแบ่งก็เท่ากับขัดคําสั่งของคุณแม่คุณแม่พูดเสมอว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นของคุณตาคุณยายคุณพ่อไม่เคยมาช่วยสร้างช่วยทําจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปให้ลูกใหม่ของเขาหลวงพ่อคะ หนูกับน้องบาปไหมคะที่ไม่ได้ทำตามที่คุณพ่อขอร้องสาววัยยี่สิบเศษรีบเรียนถามไม่บาปหรอกหนูก็อย่างที่คุณแม่หนูพูดนั่นแหละทรัพสมบัติเป็นของคุณตาคุณยายและหนูสองคนเกลียดคุณพ่อหรือเปล่าท่านถามเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางใจของสองสีพี่น้องไม่เกลียดคะ่ะ สองสาวตอบพร้อมกันแล้วคนพี่พูดอีกว่าถึงคุณพ่อจะไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ท่านก็เป็นผู้ที่ให้ชีวิตแล้วก็ให้สติปัญญาเราสองคนเรียนจบมหาวิทยาลัยเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะอย่างนั้นหรือแล้วทำงานอะไรล่ะหนูทำงานธนาคารค่ะส่วนน้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยพอจบปริญญาโทรมาจากอเมริกา มหาวิทยาลัยเขาก็รับเป็นอาจารย์เลยค่ะหลวงพ่อคะเราจะบาปไหมคะที่เราใช้เงินของคุณแม่ส่วนเงินเดือนเราส่งให้คุณพ่อทั้งหมดเลยค่ะเพราะตอนนี้ท่านกำลังลำบากท่านถูกออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่เป็นผู้พิพากษาแล้วทุจริตต่อหน้าที่ก็ใช้ไม่ได้นะซิท่านพระครูพูดเสียงตาหนิ ท่านคงจะเป็นห่วงลูกชายกลัวจะลำบากกระมังคะเราสองคนรู้สึกเห็นใจท่านคะ่ะหล่อนแก้ต่างให้บิดาแต่ก็ไม่ควรจะห่วงจนถึงกับทุจริตต่อหน้าที่หนูสองคนนี่เป็นลูกดีจริงๆขนาดเขาทิ้งไปอยู่กับเมียใหม่ลูกใหม่ก็ยังไม่โกรธ ถ, ถ้าเป็นบางคนก็ตัดพ่อตัดลูกกันเลยนะ ท่านลองใจสองสีพี่น้องเพื่อจะสอนคนอื่นๆทางอ้อมหนูเห็นคุณแม่โกรธคุณพ่อหนูก็ว่าคุณพ่อได้รับกรรมแล้วหนูเป็นลูกไม่ควรจะเพิ่มกรรมให้ท่านอีกอีกประการหนึ่งหนูก็คิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราเป็นเด็กไม่ควรเข้าไปยุ่งคุณตาคุณยายก็พากันเกลียดคุณพ่อถ้าหนูกับพี่สาวพากันเกลียดอีก ท่านหนูกับพี่สาวพากันเกลียดอีกคุณพ่อคงจะทุกข์มากถึงคุณพ่อจะทิ้งเราไปแต่เราก็ไม่ได้ลําบากอะไรคุณพ่อเสีอีกลําบากเพราะภรรยาใหม่ของท่านไม่ได้ทํางานนอกจากนี้ฐานะยากจนต้องเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่มีไรายได้พาระรับผิดชอบทั้งหลายจึงตกอยู่ที่คุณพ่อแต่ผู้เดียวน่าสงสารท่านออก หล่อนตำหนิแม่เลี้ยงไกลๆเพราะความที่สงสารบิดาก็อยากหาเรื่องลำบากเองมีเมียรวยอยู่ดีๆไม่ชอบแสไปเอาคนใช้ก็เลยต้องไปเลี้ยงญาติโกโหติกามันสตรีผู้หนึ่งโร่งออกมาอย่างอดรนทนไม่ได้หล่อนนึกหมั่นไส้สองสีพี่น้องที่ดีจนเกินไป ถ้าเป็นหล่อนก็จะตัดพ่อตัดลูกกันนานแล้วคุณนายอย่า ว, ว่าคุณพ่อหนูเลยค่ะหนูไหว้ละคนเป็นน้องพูดกับสตรีผู้นั้นพร้อมกับยกมือไหว้สตรีวรัยห้าสิบเศษจิตต้องนิ่งทั้งที่คันปากยุบยิบอยากจะพูดอยากด่าผู้ชายคนนั้นเอาละเป็นอันว่าหนูสองคนจะเข้ากรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ใช่ไหม ท่านพระครูถามค่ะถ้าหลวงพ่อรับรองว่าคุณแม่ของหนูจะได้รับส่วนกุศลหนูกับน้องก็จะเข้าค่ะหลวงพ่อรับรองถ้าหนูตั้งใจปฏิบัติไม่พูดไม่คุยตลอดเจ็ดวันคุณแม่หนูได้รับแน่นอนและที่หนูกําลังจะถามหลวงพ่อว่าหนูจะได้รู้ได้อย่างไรว่าคุณแม่ได้รับหลวงพ่อก็ขอตอบว่าหนูจะรู้ได้ เพราะคุณแม่เ็าจะมาบอกหนูในนิมิตยังไม่ต้องถามว่านิมิตคืออะไรเอาไว้ปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อทายแม่นจังเลยหนูกำลังจะเรียนถามหลวงพ่ออยู่พอดีเป็นอันว่าหนูจะกลับไปทำเรื่องขอลาพักร้อนมาเข้ากรรมฐานนะคะส่วนน้องสาวหนูเขาคงต้องรอให้ปิดเทอมใช่ไหมคะ รอนถามน้องสาวอาจารย์วัยยี่สิบต้นๆจึงตอบท่านพระครูว่าค่ะหลวงพ่อของหนูมีปิดเทอมเขาจึงแม่อนุญาตให้ลาพักร้อนเอาไว้เดือนตุลาหนูจะมานะคะตอนนี้ให้พี่สาวมาก่อนจะได้ผลัดกันเฝ้าบ้านด้วยค่ะ ดีแล้วหนูผลัดกันมาก็ดีจะได้มีคนเฝ้าบ้านพวกขาดถาดบริวารเขาจะได้ไม่เลงมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าแมวไม่ อ, ามาอยู่หนูร่าเริงท่านพูดพาดพิงไปถึงบริวารของหล่อนผู้ซึ่งพอรับหลังนายก็พากันเกียจกร้านไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนเห็นนายสาวใจดีก็เลยพากันคนองหลงลืมตัวหลวงพ่อคะ ถ้าฉชนั้นหนูกับน้องขอกราบลานะคะสองสีพี่น้องพากันกราบเบญจางขปดิษฐ์อย่างสวยงามแล้วก็ลุกออกไปแมมหลวงพ่อให้คิวสองคนนี่นานจังแบบนี้เขาเรียกว่าลำเอียงเห็นสาวสวยรวยทรัพย์แถมนับวิชาหลวงพ่อก็เลยเสียความยุติธรรมสตรีที่ว่าบิดาหญิงสาวเมื่อสักครู่พลังพ้งปรูมิจฉาวาจาออกมาจากปาก แม่จ๋าบาปนาบาปลูกสาวที่มาด้วยเตือนมารดารู้สึกอับอายขายหน้าที่มารดาปากไม่มีหูรูดท่านพระครูจึงถือโอกาสสอนหล่อนว่าโยมรักษาหน้าลูกไว้หน่อยลูกเขาอายนะที่มีแม่แบบนี้ถึงเขาจะเป็นเด็กก็ยังรู้จักอายส่วนโยมโตจดเป็นแม่คนแล้วไม่นึกอายบ้างหรือ อย่าให้อัตมาต้องว่าคนเป็นแม่ในวันแม่เลยนะสตรีผู้นี้เป็นคนมีปัญญาครั้นถูกท่านว่าจึงแก้ไขปรับปรุงตัวเสียใหม่เดี๋ YN นั้นหล่อนกราบสามครั้งพลางกล่าวคำข อ, ขอขมาต่อท่านพระครูดิฉันขอขมาลาโทษคะ่ะดิฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ปากมันไวไปหน่อยหลวงพ่ออโหสิกรรมให้ดิฉันด้วยนะเจ้าคะ ก่อนจะเอาโหสิก็ต้องอบรมกันหน่อยจำไว้นะอาตมาจะสอนไปไหนปากอย่าไว้ใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟืน้นเรื่องคนอื่นอย่าเก็บมาคิดกิจที่ชอบทําให้สําเร็จทําให้ได้ตามนี้แล้วอาตมาจึงจะขอเอาโหสิให้ไหนหนูลองทวนให้แม่ฟังซิหลวงตาสอนว่าอย่างไรท่านถามเด็ก คนเป็นลูกเพราะรู้แน่ว่าคนเป็นแม่นั้นจําไม่ได้หลวงตาสอนว่าไปไหนอย่าปากไวอย่าใจเบาเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าเก็บมาคิดกิจที่ชอบทําให้เสร็จทําให้ได้ตามนี้และหลวงตาจะอโหรสีให้หลวงตาอาโหรสีให้แม่หนูนะคะหนูรักแม่คะ่ะไม่อยากให้แม่ต้องบาป หนูน้อยวัยเก้าวขวบพูดจากใจจริงท่านพระครูจึงพูดกับคนเป็นแม่ว่าได้เย็นหรื อ, อยังลูกเขารักเรานะโยมมีลูกดีขนาดนี้ถือว่ามีบุญแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ลูกต้องอับอายขายหน้าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหลวงพ่อต่อไปดิฉันจะไม่ทำให้ลูกต้องอับอายขายหน้าอีก สตรีวัยสี่สิบเศษตกปากรับคําเอาละถ้าเช่นนั้นมีอะไรก็ว่าไปท่านอนุญาตให้ลัดคิวเป็นกรณีพิเศษเพราะรู้ว่าหล่อนไม่มีอะไรจะพูดที่มาพระถูกลูกสาวรบเร้าให้มาดิฉันไม่มีอะไรจะว่าหรอกค่ะลูกสาวรบเร้าให้มาก็เลยมาอย่างเสียไม่ได้ในใจหล่อนอยากจะพูดว่า ถ้ารู้ว่ามาแล้วถูกประจานต่อหน้าธารกรรนันแบบนี้จ้างฉันก็ไม่มาเอแต่ก็ดีเหมือนกันนะต่อไปเราจะได้ไม่ทำให้ลูกต้องขายหน้าจะได้หัดรูดซิปปากไว้มั่งหลอนพูดเองเออเองเสร็จสัพทำไมหนูถึงอยากให้แม่มาที่นี่ล่ะท่านถามลูกสาวหล่อนหนูอยากให้แม่ได้มาฟังโอวาทหลวงพ่อคะ่ะอยากให้แม่ไดบุญมากๆ หญิงสาวตอบแกไม่อยากให้แม่ของแกสะสมบาปเพราะวันๆแม่จะพูดแต่สิ่งที่ไร้สาระเป็นคนเชื่อง่ายชอบพูดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นงานอะไรก็ไม่ค่อยจะทำสิ่งที่ลงตาสอนนั้นตรงกับที่แกอยากให้สอนมิเสียแรงที่อุตส่าห์รบเร้าให้แม่พามากราบท่านในวันแม่ ดีจริงแหมถ้าหลวงตามีลูกน่ารักอย่างหนูคงภูมิใจนนาดูเป็นพระก็ยังอยากมีลูกอีกรึมารดาของเด็กหญิงคิดหากเป็นแต่ก่อนคงพูดโพลงออกมาแล้วแต่ในเมื่อท่านสอนอยู่หยกๆยกจึงต้องห้ามใจยับยั้งปากเอาไว้ท่านพระครูรู้ความคิดของหล่อนจึงว่าที่พูดไม่ได้แปลว่าอาตมาจะเป็นพระ มีลูกเมียเหมือนที่พระบางรูปเขาแอบทำกันหรอกนะแต่หมายความว่าถ้าอาตมาเป็นโยมมีลูกดีๆอย่างนี้อาตมาคงภูมิใจหนาดูโยมมีบุญมากรู้ไหมเพราะฉะนั้นก็ปรับปรุงตัวเสียใหม่อาตมารู้ว่าโยมเป็นคนมีปัญญาไม่งั้นก็คงไม่ซอนกันให้เสียเวลาจริงไหมโหนจริงค่าหลวงตา แม่ของหนูเป็นคนดีมีปัญญาค่ะหนูดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่เด็กหญิงวัยเก้าขวบพูดให้กำลังใจมานดางั้นดิฉันกับลูกเห็นจะต้องกราบลารบกวนวหลวงพ่อมานานแล้วสองแม่ลูกพากันกราบท่านสามครั้งแล้วลูกออกมาท่านพระครูพูดกับหญิงสาวที่ถูกลัดคิวว่า หลวงพ่อต้องขอโทษ ด, ด้วยหน้าที่ลัดคิวอยากให้โยมคนนั้นเข้าไปก่อนไม่เช่นนั้นหนูอาจจะถูกเขาว่าก็ได้เขามีบุญที่มีลูกดีลูกสาวเขาไม่กล้าสอนแม่เลยก็เลยพาไม่ให้อัตมาสอนแต่ก็ไม่เป็นไรกลับไปเนี่ยเขาจะดีขึ้นเพราะเขาเป็นคนมีปัญญารู้ผิดชอบชั่วดี ท่านพูดแก้ต่างให้สตรีผู้นั้นหลวงพ่อครับพี่น้องสองคนที่ลุกออกไปก่อนหน้าเนี้ยเขามีคู่ครองหรือยังครับนมหนึน่งตัดสินใจลัดคิวด้วยการถามขึ้นเขาสนใจสองสีพี่น้องเพราะหล่อนทั้งสวยทั้งรวยแล้วก็ดีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเห็นคนที่มีจิตใจอย่างนี้มาก่อนจะพลัดจบปรู หล่อนอาจจะเป็นเนื้อคู่ของเขาก็ได้หากเป็นเช่นนั้นจริงเขาก็จะได้เป็นหนูตกถังเข้าสารท่านพระครูรู้ความคิดของเขาจึงตอบว่ายังไม่มีรอกแต่มีเนื้อคู่แล้วหรอครับเนื้อคู่เขาเป็นใครครับ ชายหนุ่มถามยังมีความหวังท่านพระครูอาจเห็นแล้วก็ได้ว่าเนื้อคู่ของหล่อนคือตัวเขาเป็นคนที่มีชาติตระกูลและก็ฐ า, านะเท่าเทียมกันตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ประเทศอังกฤษท่านตอบตามที่เห็นเนื้อคู่ของคนพี่หรือว่าคุณน้องครับเขายังคงคิดหวัง ทั้งพี่ทั้งน้องนั่นแหละหมายความว่าเขาจะมีสามีคนเดียวกันเหรอครับชายนมรู้สึกผิดหวังไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วคนหนึ่งก็จะชอบพี่อีกคนหนึ่งชอบน้องแต่ยังอีกหลายปีกว่าเขาจะเรียนจบไม่ต้องเสียใจนะเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของโยมท่านปลอบใจเขาเสร็จสับ หลวงพ่อคะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับแม่มาเรียนปรึกษาค่ะหญิงสาวพูดถึงคิวเอ่ยขึ้นเพราะรอมานานได้ถูกลัดคิวถึงสองครั้งปัญหาอะไรละจ๊ะไหนเล่าไปซิท่านอนุญาตคืออย่างนี้คะ่ะแม่ของหนูแกป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมมาสองปีแล้วหนูเช่าแฟลตอยู่กับแม่ เพราะพี่ชายมาขอยืมโฉนดไปจากแม่แล้วก็หลอกให้แม่เซ็นชื่อบอกว่าเซ็นอนุญาตให้ยืมแม่ก็เซ็นโดยไม่ได้อ่านเพราะเชื่อใจลูกชายพี่ชายก็เลยเอาไปขายคนซื้อมาบอกให้หนูกับแม่ย้ายออกตั้งแต่มาขอยืมโฉนดไปเขาก็ไม่กลับมาให้เราเห็นอีกเลยจนกระทั่งเราถูกคนซื้อให้สั่งย้าย แม่ก็คิดมากจนสมองเสื่อมหนูก็หอบหิ้วแม่มาเช่าแฟลตอยู่เวลาไปทำงานหนูก็ใส่กุญแจขังแกไว้พอพักเที่ยงก็ซื้ออาหารมาให้แกหนูทำงานเป็นพยาบาลอยู่ไม่ไกลจากแฟลตถ้าเกิดไฟไหม้ก็คิดว่ากลับบ้านมาช่วยแกทันเท่าที่เล่ามาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนินาะแล้วหนูมีปัญหาอะไรล่ะ สมพานวัดป่ามาม่วงถามปัญหาของหนูก็คือว่าแม่แกชอบแกล้งหนูค่ะแกลุกไปเข้าส่วมเองก็ได้แต่แกก็ไม่ยอมลุกแกถ่ายใส่ถ้วยชามบ้างขันน้ำบ้างให้หนูกลับมาล้างเพราะหนูโมโหก็ดุว่าทำไมแม่ทำอย่างนี้แกก็บอกว่าไม่ทำอย่างนี้ก็ได้ และแกก็จับอุจจาระใส่ถ้วยมาทาข้างฝาทาตามเนื้อตามตัวของแกนุกโกรธจนอยากจะตีแกเลยค่ะอย่านะหนูมันบาปเชวละถ้าหนูทำอย่างนั้นท่านรีบห้ามเพราะกลัวบาปนี่ละค่ะหรือท่องต้องอดใจไว้หนูจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะทำไมแม่ถึงทำกับหนูอย่างนี้ เพราะมันเป็นกรรมที่หนูเคยทำกับแม่น่ะสิจำไม่ได้หรือจำไม่ได้ค่ะหนูทำกรรมกับแกไว้ตั้งแต่ชาติไหนคะชาตินี่แหละลองนึกดูดีๆตอนหนูอายุเก้าขวบหนูทำริษทำเดชไว้กับแกมากแกล่งถ่ายไว้เต็มบ้านให้แม่ตามล่างตามเช็ดหนูก็เลยต้องมารับกรรมตอนอายุสาสิบเก้า และกรรมจะสิ้นสุดลงเมื่อแม่ของหนูตายแล้วอีกนานไม่ค้ากว่าหนูจะหมดกรรมหล่อนถามคำถามของหล่อนมีความหมายแฝงว่าเมื่อไรแม่ของหล่อนจะตายนั่นเองหนูจะหมดกรรมตอนอายุสี่สิเกท่านพระครูตอบโอ้โหอีกตั้งสิบปีเชียวหรอคะไม่ยุติธรรมเลยนะคะหลวงพ่อ หนูทำกรรมกับแม่แค่ครั้งเดียวแต่ต้องมารับกรรมเป็นร้อยเป็นพันครั้งไม่ยุติธรรมเลยหล่อนคลั่ากรวนแบบนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้แต่งงานผู้ชายที่ไหนเขาจะมาทนแม่ยายแบบหล่อนได้หล่อนเป็นลูกแท้ๆยังรังเกียจหลวงพ่อถึงได้เตือนไว้อย่างไรว่าอย่าคิดหรือทำไม่ดีกับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เปรียบเหมือนพระอาหารหันต์ของลูกทำกรรมกับพระอาหารหันต์ถือว่าหนักหนาสาหัสมากหนูก้มหน้าก้มตารับกรรมไปเถอะไม่ต้องไปคิดว่าจะมีใครจะมารับกรรมกับเราท่านบอกเป็นนายว่าหล่อนจะไม่ได้แต่งงานเพราะเนื้อคู่ของหล่อนอยังไม่มาเกิด